ฟังคะหลังจากที่ฟังพระมาร์คชาคาวโรแห่งวัดนาป่าพงได้อ่านพระสูตรพร้อมกับให้ท่านได้ปฏิบัติธรรมนะคะพระสูตรที่อ่านให้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องของอาณาปานสติโดยสรุปรวมสติปัฏฐานทั้ง4เลยเราก็มาพบกับพระาอาจารย์ไพบุตอภิปุโนกันคะ่ะน้อมสักการกะท่านคะอาจารย์บอลท่านอาจารย์ค ะ, คะพูดย้อนหลังไปสักนิดหนึ่งเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็เป็นวันครู เราก็จะมีทั้งวันครูแล้วก็วันไหว้ครูวันไหว้ครูก็เป็นวันที่สิไปไหว้ครูวันครูก็เป็นวันที่เขายกย่องให้ความสําคัญของครูแต่ก็จะมีกิจกรรมที่ไปสแสดงมุทิตาจิตกับคุณครูเหมือนกันอย่างเช่นทานายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็จะไปสแสดงมุทิตาจิตกับคุณครูของท่านเป็นปกติของนายกรัฐมนตรีทุกยุคทุกสมัยที่จะต้องเหมือนกับว่าเป็นแบบอย่างให้กับสังคมด้วยนะคะเป็นภาพที่งดงาม เดนเองเนี่ยไม่ได้เป็นครูแต่ก็ไม่ไวายมีคนที่มีน้ําใจดีก็ส่งข้อความมาแสดงความปรารถนาดีในวันครูเดนก็เลย อ, อจริงๆแล้วเนี่ยเดนก็ต้องส่งความปรารถนาดีต่อไปอย่างเขาเช่นเดียวกันเพราะว่าในส่วนตัวเนี่ยคิดว่าเราสามารถจะเรียนรู้ได้จากทุกคนและจากทุกสรรพสิ่งถ้าจะมีความคิดเห็นอย่างไรแล้วก็สอดคล้องตามธรรมอย่างไรหรือเปล่าคะในความ<อ>คิดนี้ใช่ คือพระพุทธเจ้าเนี่ยคือพระองค์ก็บอกอยู่แล้วนะว่าพระพุทธเจ้ า, จาเนี่ยเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกให้อะไรเป็นครูละ่ะให้อะไรมาสอนเราได้ก็คือธรรมะไงราะอะไรบ้างที่เป็นธรรมละล่ะเอนี่ไงที่เราหายใจเข้าหายใจออกเอาลมหายใจเป็นครูก็ได้และในการ<ม>ที่จะยึดเอาไว้เพื่อที่จะตั้งสติให้มีอยู่ เพราอย่างที่ท่านมาอธิบายในเบื้องต้นเนี่ยมีลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติอยู่เนี่ยอันนี้เราก็สามารถใช้เป็นครูได้ค่ะ <Okay. S 1> แล้วก็อครูที่อคุณสมบัติของคนเนี่ยนะพอเราได้ระลึกถึงคุณครูเนี่ยก็ ค, คือความกตันยุกระตะเวทีใช่ไหม <Okay. S 1> พระอริยเจ้าบอกว่าไอ้ความกตันยุกระตะเวทีเนี่ยแหมเป็นคุณธรรมที่ดีเพราะว่าถ้าไม่มีความกระตันยุนะโลกเนี่ยจะไปไม่ได้เป็นธรรมที่มีอุปการะมาก okay. ความกระตันยูนะแล้วก็ความกระตะเวทีเนี่ยก็เป็นธรรมที่มีอุปการะมากเหมือนกันอืมดะนั้นมันก็ไปด้วยกันอ๋อคือแบ่งกตันยูกับกระตะเวทีเป็นคนหัวข้อธรรมเหรอคะเออคือพระพุทธเจ้พูดถึงความกระตันยูเอาไว้ค่ะนั่นเองนะก็คือว่าอ่าจะเป็นความที่มีอุปการะมากทีนี้ว่าในภาษาอ่าที่เราใช้กันอยู่ในปัจจุบันเนี่ยกตกตันยูก็ความหมายหนึ่งกระตะเวทีก็ความหมายหนึ่ง ก, ก็คื อ, อความระลึกถึงคนที่มีบุญคุณกับเราแล้วก็การที่ได้ตอบแทนกับผู้นั้นคือการกระตันยุกระตันเวทีเป็นคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่ธรรมที่มีอุปการะมากมีอุปการะมากก็แปลวา่ามีมีถ้าเรามีธรรมอันนี้เนี่ยก็จะมีผลมหาศาลใช่ไหมค ะ, มระมจริงๆถ้าคิดแบบทั่วๆไปนะคะาอาจารย์การที่เมื่อถึงเวลา อ, อันเหมาะสมเช่นอาจจะวันขึ้นปีใหม่สากลปีใหม่ไทยเราไปกราบสวัสดีปีใหม่ไปรดน้ำขอพรขนาดไปขอพร น, นะคะให้กับผู้ที่มีอุปการะเป็นผู้ที่เราเคารพนับถือหรือบางทีเขาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสีสังคมสิ่งที่เราได้รับกลับคืนมาก็คือท่านเหล่านั้นจะเมตตาเรา มากๆแล้วบางทีความเมตตาของท่านเนี่ยส่งผลเป็นรูปธรรมได้เพราะว่าท่า น, นอาจจะมีบารมีใช่ใช่ใช่ไคะหรือว่าท่านมีความมีคนรู้จักกว้างขวาง<ช>ที่จะช่วยเหลือเกือกูลเราได้อันนี้มันก็เป็นอันนี้สรงแบบเห็นได้ด้วยตาจับต้องได้ในปัจจุบันแต่ว่าถ้าเป็นทางด้านของธรรมแล้วทางด้านของธรรมอันนี้หมายถึงอย่างในคําสอนของพระพุทธศาสนาเนี่ย มันก็จะทำให้เราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้บรรลุทำง่ายอย่างนั้นด้วยไหมคะคือติดใจจะอ่อนโยนกวนแกการงานอ๋อค่ะอะ่ยกตัวอย่างง่ายๆนะพ่อแม่อย่างเงี้ยหรือว่าคุณครูใช่ป่ะท่านไม่ต้องสอนเราก็ได้นะเพราะว่าเราเป็นเด็กเราสมัยก่อนเราเป็นเด็กเราไม่รู้หนิงาเขาจะไม่เลี้ยงเราก็ได้เพราะว่าแต่ว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยเป็นคนที่อุปการะผู้อื่นก่อนแหม่คนที่อุปการะผู้อื่นก่อนอย่างเนี้ย ควรจะต้องได้รับการตอบแทนด้วยความกระตันยูเพราะฉะนั้นคนที่อุปการะเราก่อนเนี่ยเราควรจะกระตันยูต่อเขาอันนี้เป็นคุณธรรมสองอย่างที่สนับสนุนกันค่ะอืโลกจะไปได้สัตว์เนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นนะสัตว์เนี่ยออเอาอย่างสุนัขนะมันไม่ได้คิดถึงพ่อแม่นะอืมอ ม, มันก็ยังทำอะไรของมันคือไม่ได้คิดเหมือนมากเท่ากับที่ค น, นคิดมันก็อาจจะรู้สึกว่าไอ้นี่เป็นแม่ก็เอาไว้กินนมได้ พอเป็ไม่เจริ่พันแล้วมันก็ทำคนเราเรื่องละค่ะคือก็มีอยู่บ้างในสัญชาตญาณใช่แต่จะไม่เหมือนกับมนุษย์ที่เป็นสัตว์ประเสริฐที่สามารถทําอะไรได้มากกว่านั้นถูกต้องท่านอาจารย์คะดิฉันไปงานแต่งงานมาเจ้าบ่าวเนี่ยเป็นในแพทย์ด็อกเตอร์ด้วยเก่งทางด้านสเต็มเซลล์ขึ้นไปพูดบนเวทีท่านพูดได้ดีนะคะคือทั้งๆที่เป็นหมอหนุ่มเนี่ยก็บอกว่าวันนี้ดีใจ ที่มีคนมาร่วมงานเยอะมีท่านนั้นท่านนี้ก็จะระนายไปนะคะแล้วก็พูดโดยรวมว่าท่านทั้งหลายเนี่ยเหมือนกับที่ได้ไปอ่านหนังสือเดี๋ดวฉันไม่แน่ใจว่าท่านเอ่ยนามถึงใครนะคะแต่เป็นคารวาสอ๋อู้สึกกับท่านสุลักสิวลักซึ่งเคยเขียนถึงคาสอนของพระพุทธเจ้าจไว้ว่านี่คือการยาณมิตรนะคะ ก็ถือว่าเป็นมิตรดีอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ดิฉันเองเลยฟังไปบนเวทีก็เกิดความรู้สึกอยากรู้ต่อไปเลยว่าเอออันนั้นคือกัลายาณมิตรที่พูดถึงขอบคุณคนแต่งงานหยิบยกคําสอนแต่ว่าในคําสอนจริงๆกัลายาณมิตรเนี่ยจะกินความกว้างขวางได้มากกว่านี้หรือไม่เพียงใดคะกัลยาณมิตรที่พระพุทธเจ้าตรัสเนี่ยมีสองนัยยะ ในยะแรกเนี่ยคือบุคคลที่ประกอบด้วยคุณสมบัติห้าอย่างอย่างนี้รนะยะที่สองก็คือคุณธรรมในจิตนั่นก็คือมรรคแต่ห้าอย่างอย่างไหนถ้าเป็นบุคคลถ้าเธอมีคุณธรรมห้าอย่างเหล่านี้นะเธอเป็นกัลยาณมิตรมีอะไรหนึ่งมีศีลสองมีจาค้กการให้สามมี ป, ปัญญาสี่มีถ้าเรามา จ, จะไม่ผิดจะมีการให้มีศีล มีปัญญามีสมาธิแล้วก็มีสติอ๋อค่ะจากถ้ามีคุณสมบัติห้าอย่างนี้ถือว่าคนนี้เป็นกัลยาณมิตรกับเราได้อืมแล้วก็ถ้าเป็นคุณธรรมล่ะพระพุทธเจ้ายกถึงมัคมีองแปดให้เอามัคมีองแปดเป็นกัลยาณมิตรที่พระองค์ทิ้งเอาไว้ให้อ๋อคือถ้าเป็นคุณธรรมคือมัคมีองแปดแต่ถ้าเป็นบุคคลคือคนที่มีศีลคนที่มีจารค้าคนที่มีปัญญาคนที่มีสติสมาธิ นะคะอันนี้ถือว่าเป็นกัญญาณมิตรก็อะไรเพราะาว่าเพราะคนที่มีศีลเนี่ยก็จะชักชวนเราไปในทางศีลคือคนแบบนี้จะชักชวนเราไปทางดีแน่นอนค่ะอไม่มีเสื่อมอันนี้ก็เป็นความหมายที่เราควรรู้นะคะว่ากรัญรยาณมิตรเนี่ยบางทีเราอาจจะคิดว่าเป็นเพื่อนที่ดีมีความรากักมีความปรารถนาดีกับเราอยู่ตลอดเวลา แต่ถ้าสำหรับในภาษาธรรมเนี่ยอธิบายได้เลยว่าคุณสมบัตินั้นประกอบไปด้วยคุณสมบัติอะไรบ้างนะคะท <Yeah. S 1> ่านอาจารย์คะอีกข้อหนึ่ง <Yeah. S 1> มีเพื่อนของดิฉัน <Yeah. S 1> เขาก็กลับมาเล่าให้ฟัง hmm. ยังเข้าใจว่าเขากาลังมีความทุกข์นะคะที่จะต้องอมีคนในครอบครัวป่วยด้วยโรคที่ค่อนข้างร้า ย, <Yeah. S 1> ายเขาก็เล่าให้ฟังว่าไปศึกษา หลักสูตรเจริญมรณ า, านุสติมาอื ม, เ, อมเป็นเขาทำไปกันยังไงล่ะไม่ทราบเหมือนกันจะถา ม, <c oughs> ถามท่านอาจารย์เนี่ยค่ะว่าอคือหลักสูตรที่ทําให้เรามองความตายเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกันอันนี้ถ้าให้ดิฉันคิดเอาเองนะคะเข้าใจอย่างนั้นเพราะว่าท่านบอกว่าไปศึกษาที่เชียงใหม่นะคะมีการพาให้ไปดูดูศพดูอะไรพวกนี้ด้วย <c oughs> อ๋อแล้วดิฉันเข้าใจว่าหลักสูตรเนี่ยมันน่าจะทําให้ คนที่ไปศึกษาเนี่ยกลัวตายน้อยลงเข้าใจความตายมากขึ้นแล้วก็เผชิญหน้ากับความตายอย่างมีสติไม่หวั่นเกรงหรืออย่างยิ้มเข้าใส่ความตายอือเป็นไปได้ไหมคะก็ทำให้จิตเนี่ยเกิดการปล่อยวางมากขึ้นก็เป็นสิ่งที่ดีและการไปดูศพดูอะไรเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกายานุปัจจนาสฏิปฐานที่ที่เมื่อในศตวรรษิีัผนมาท่นมาได้อธิบายไว้อยู่ ทีนี้คนถ้าสมมติเกิดอยู่ในสภาวะนี้แล้วหมอบอกแล้วว่าเราเป็นโรคร้าย่เราไม่มีโอกาสไปเข้าคอร์สอย่างนั้นหรอกอืจะอาศัยถ้าอาจารย์ช่วยที้นาให้ด้วยพุทธวจนะเปิดธรรมที่ถูกปิดเนี่ยค่ะอ้าวจ้ะทีนี้อ่ก่อนที่จะไปตรงนั้นเนี่ยจะอธิบายนิดหนึ่งว่ามราณะสติเนี่ยคืออะไรก่อนโดยพุทธวจนะค่ะถ้าบอกว่าเธอจะเจริญมราณะสติเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยให้พิจรารณานะ การเจริญมโนสติเนี่ยให้พิจารณาอย่างนี้ว่าเหตุปัจจัยแห่งความตายมีมากนะไม่ว่าจะเป็นงูฉกแมลงฟองซอยกตะขาบกระเดื่องต่างๆหรือเดินพลาดหกล้มอาหารไม่ย่อยนี้จะเป็นอันตรายมากถ้าเราตายไปเนี่ยจะเป็นอันตรายมากก็ให้มาระลึกถึงอย่างนี้แค่นั้นยังไม่จบนะให้มาคิดพิจารณาว่าเอ๊มีอยู่หรือไม่หนอบาปอกุศลที่เราแรงละไม่ได้ถ้ามีอยู่ให้ทําความเพียรอย่างแรงกล้าเลย ในการที่จะเอาอากุศลธรรมนั้นเอาออกไปให้ได้โดยด่วนเหมือนกับไฟไหม้ผมเนี่ยต้องรีบหาไฟน้ํามาดับทันทีหรืออะไรก็ได้จะดับต้องรีบทําขนาดนั้นแล้วก็ถ้าไม่มีถ้าบาปอกุศลเหล่านั้นไม่มีนะให้อยู่ด้วยปีติและปราโมททั้งกลางวันและกลางคืน อ, อยู่ยังไงคะปีติและปราโมทหัวเราะทั้งวัน ก็ค <idée> <ifi> <Okay>. ือม <téléphone> ีความสุขอิ่มๆอยู่ในใจไม่ด่าใครไม่เสียงใกลมีกุศลธรรมอยู่ตลอดเวลามีสมาธิอยู่ในลมหายใจอย่างอืมค่ะก็คือเป็นคนที่มีกุศลธรรมอยู่แล้วเป็นปกติอก็คือนี่คือการเจริญมรณาสติคืออยู่เป็นปกติใช่ไหมคะปิติปราโมทคืออยู่ปกติพอดีพอดีก็ให้อยู่ด้วยปิติและปราโมททั้งกลางวันและกลางคืน อ่าถ้าเดินพระธวจนะจะตัดไว้ทั้งกลางวันและกลางคืนใช่ทั้งกลางวันและกลางคืนทีนี้สําหรับคนป่วยเนี่ย ค, คนป่วยเนี่ย พ, พระพุทธเจ้าเคยตัดไว้ครั้งหนึ่งที่ไปเยี่ยมพระป่วยที่โรงพยาบาลที่สุข่ายนะค่ะบอกว่า อ, อพูดถึงพระป่วยเนี่ยถ้าเธอทั้งหลายเนี่ยไม่เหินห่างจากธรรมห้าประการเหล่านี้แล้วเนี่ยเธอหวังผลได้สองอย่างนี้แน่นอนคือความเป็นอรหันตผลหรือว่าเป็นอนาคามิผล ทำห้าประการอย่างไหนที่พระพุทธเจ้าตรัสรสอนภิกษุ ข, ข่ายะที่ว่ามีเวลาน้อยใกล้สิ้นหลมหายใจเต็มทีแล้วเนี่ยก็คือว่าให้เห็นความไม่งามในกาย ค, ค่ะเพราะฉะนั้นเขาไปข้อะเคาอย่างนั้นเห็นความไม่งามในกายไหมเออก็พอจะได้อยู่พออ้อมแอมได้ค่ะนะสองอกําหนดหมายความปฏิกูลในอาหารว่าอาหารที่เรากินเนี่ยมันก็ออกมาเป็นลักษณะอย่างที่เราเห็นทุกชาทุกช้าอย่างนี้ค่ะ สามเป็นผู้กําหนดหมายความไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงคนป่วยเนี่ยมันก็ต้องพระรัชกาอธิบายอาการของคนป่วยอย่างนี้นะว่านอนจมกองมูดกองพูดของตัวเองต้องมีคนอื่นประยุงให้ลุกให้เดินค <Okay. S 1> นี่คืออาการของคนป่วยซึ่งมันไม่น่ายินดีแน่นอนมันไม่งามเลยค <Okay. S 1> แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะทําให้เห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงนี่คือข้อที่สี่เห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงอะถ้าเธอทําอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าใช้ได้ ข้อที่ห้าพระพุทธเจ้าบอกว่าให้มีสติตั้งเข้าไปตั้งไว้ดีแล้วในกายแล้วก็เห็นการเกิดดับในภายในเะพราะนั่นอย่างที่ท่นานนัได้สรุปนะเมื่อตอนต้นพูดถึงว่าเนี่ยการที่มีสติในลมหายใจก็คือการมีสติอยู่ในการนั่นแหละแล้วเห็นการเกิดดับอันนี้จะเป็นไปเพื่อที่สำหรับคนที่ป่วยไข้จะใช้ได้ในเวลาที่อนน้อยสั้นที่มีอยู่ค่ะจริงๆแล้ว ถ้าใครป่วยเนี่ยเป็นข้อธรรมที่น่าสนใจมากแต่บางทีบางคนนะคะเขาก็ยังมีเวลาอยู่มีตุ้งมีตางในช่วงนี้ก็เลยคิดว่าต้องใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันให้มากที่สุ ด, ดกับคนในครอบครัวพากันไปเที่ยวรอบโลกเลยอฮะอย่างนี้นี่ถ้าไปก็ไปได้นะคะแต่ไปแล้วอย่าลืมแบกห้าข้อธรรมนี้ไปด้วย ด, ดีไหมคะเพราะว่าก็เข้าใจนะคะว่าบางคนเนี่ยโหย ชีวิตทั้งชีวิตไม่เคยดูแลคนที่เรารักซึ่งกำลังป่วยไข้มากเนี่ยเลยก็มีความรู้สึกว่าเมื่อมรณะมันใกล้เข้ามาทุกทีเนี่ยนะคะก็อยากทำให้ดีที่สุดอย่าลืมนะคะว่าให้พกเอาให้คนไข้นั้นเห็นความไม่งามในกายไปด้วยกำหนดหมายความปฏิกูลในอาหารเวลาไปเที่ยวเนี่ยต้องหาอาหารอร่อยๆทานกันนะคะก็ต้องพิจารณาไปว่าเนี่ยสแปรริปที่อร่อยมากเนี่ยซี่โครงย่างโครงใหญ่เนี่ย เมื่อมันไปถึงสุดท้ายมันจะต้องเน่าเปื่อยผุพังอย่างไรไ<อ>กําหนดหมายความไม่น่ายินดีในโลกทั้งปวงโดยเอาตัวเองมากําหนดก็ดีเหมือนกันนะคะ<อ>ว่าเนี่ยดูซิเป็นรังโรคไปซะแล้ว<อ>เห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงก็เช่นเดียวกันเมื่อวานก็ยังดีๆอยู่เลยมีคนบอกทีฉันบอกว่าเนี่ยเอาไม่ต้องบอกดีฉันนะครับเพิ่งเจอไปเผาศพอธิบดีท่านหนึ่งมา<อ>ภรรยาท่านโทรมาร้องห่มร้องไห้ เราก็อกเอเราเพิ่งเจอท่านอยู่เลยนะคะเราะ น, นั่นแหละสงสัยหลังจากเจอคุณสันตีไม่นานก็เข้าโรงพยาบาลแล้วไม่ได้ออกเลย<ม>ท่านก็มารู้ในคราวเดียวเลยนะคะแล้วรวดเดียวจบที่โรงพยาบาล<อ>ว่าป่วยเป็นโรคร้ายนั้นอย่างเงี้ยค่ะมันไม่เที่ยงวันนั้นยังเห็นที่ห้างเลยนะคะมาชอปปิ้งค่ะแล้วก็มีสติตั้งไว้อย่างดีในกายใช่ไหมคะเห็นการเกิดดับแล้วก็เห็นการเกิดดับาดมามบอก เรียกว่าเราส่งท้ายกันด้วยทำที่ต้องบอกว่าล้ำค่าและจริงๆแล้วไม่ใกล้ตายกน็น่าจะเจริญเหมือนกันนะคะเพราะว่าอย่างแผนดินไหวเนี่ยหรือปบัติเหตุทั้งหลายทั้งปวงทิฉันว่ามันทำให้ทุกคนต้องคิดว่าความตายเยมันเขาเรียกอะไรนะคะที่พระพุทธองค์ตรัสความตายมีอยู่ในชีวิตใช่ไหมคะใช่ใชค่ความความความตายมีอยู่ในชีวิตความหนุ่ม ความแก่มีซ่อนอยู่ในความหนุ่มความตายมีซ่อนอยู่ในชีวิตค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอการสนทนาธรรมในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดกับท่านอาจารย์ภัยบูญอภิปุลโนนะคะจากวัดป่าดอนายโซเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยผูทวจนะค่ะวันนี้ก็นมัส ก, การขอบพระคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งนะคะกาารย์จเจรรท่านฟังที่รับค่ารายการสรันสนีสนทนาดำเนินรายการโดยดิฉันสันสีนากพงศ์นะคะที่ท่านฟังกําลังฟังอยู่ในขณะนี้ ติดต่อกับทางรายการของเราได้หลายช่องทางค่ะช่องทางหนึ่งก็คือที่สถานีวิทยุแห่งนี้นะคะ fm 106วิทยุครอบครัวข่าวหมายเลขโทรศรัพท์02 269 0006นะคะซึ่งหมายเลขเดียวกันนี้เนี่ยท่านก็สามารถที่จะเขียนมาขอหนังสือเอ่อขอโทษค่ะโทรศรัพท์มาขอหนังสือที่เรากำลังแจกก็คือหนังสือพุทธวจนะฉบับอาณาปานาสติโดยพระตถาคตนะคะ หรือว่าจะ SMS ส่งคำแนะนำของท่านมาที่4838106และส่งไปที่ w o r l d w i d e w e b p u r e h a m a p u e d h a m m a c o m 1 0 6ถ้อาอาจารย์ไพบุญก็จะรวบรวมนะคะคำถามของท่านหรือคำแนะนำไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนของรายการก็แล้วแต่ นะคะกลับมาให้ดิฉันเนี่ยได้ดำเนินรายการให้ตรงกับความต้องการของท่านผู้ฟังที่รบทุกท่านคะ่ะขอได้วความขอบคุณจากคณะผู้จัดทำรายการนะคะสำหรับในวันนี้และพรุ่งนี้มรืนนี้เราพักกันนะคะเป็นวันเสาร์อาทิตย์มาพบกันอีกทีหนึ่งในวันจนันทร์ค่ะสวัสดีคะ่ะ